องประกอบต่างๆที่ค้ำจุนกื้อหนุนและเสริมประโยชน์ของสมาธิข้อ4คณะทางานของปัญญาขอเชื่อมความตรงนี้ว่าความมุ่งหมายของสัมมาสมาธิก็เพื่อให้เป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาคำว่าสนามปฏิบัติการของปัญญาในที่นี้หมายถึงหลักธรรมชุดที่เรียกว่าพอดชง พจน์ชงเป็นทั้งธรรมกื้อหนุนในการเจริญสมาธิและเป็นที่ใช้สมาธิเพื่อประโยชน์ที่สูงขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือวิชาและวิมุตติพจ์ชงมีเจ็ดข้อคือสติธรรมมวิจัยวิริยะปีติปัสสธิสมาธิและอุเบคาข้อธรรมวิจัยจะเขียนว่าธรรมวิจยะก็ได้ปัสสิ แปลว่าความผ่อนคลายสงบเย็นกายเย็นใจในภิกุสูตรและโพธนะสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวักมีพุทธพจน์จำกัดความหมายของโพชงไว้สั้นๆว่าเพราะเป็นไปเพื่อโพทะเป็นไปเพื่อความตัดสู้ฉะนั้นจึงเรียกว่าโพชงอัตถกะถาแปลโพชงตามรูปสัตว์ว่า องคุณของผู้ตัดสู้หรือผู้จะตัดสู้บ้างองค์ประกอบของการตัดสู้บ้างว่าโดยหลักการโพชชงเป็นธรรมฝ่ายตรงข้ามกับนิวรห้าจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องโพชชงไว้ควบคู่ไปด้วยกันกับนิวรเป็นส่วนมากโดยฐานทําหน้าที่ตรงข้ามกันแม้คำบรรยายคุณลักษณะต่างๆของโพดชงก็เป็นข้อความตรงข้ามกับคบําบรรยายลักษณะของนิวร น, นั่นเอง ดังเช่นในอุปกิเลสูตรสั่งยุตานิกายมหาวาระวัตรมีพโพธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจต์นี้ไม่เป็นเครื่องปิดกั้นไม่เป็นนิวรไม่เป็นอุปกเลสแห่งจิตเมื่อจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตและในนิวรณสูตรสั่งยุตานิกายมหาวารวัตร มีพุทธพ์ธว่าภิกษุทั้งหลายโพชฌงเจตนี้เป็นทำให้มีจักสุทำให้มียานส่งเสริมความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นข้างความขับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานความที่เคยกล่าวมาข้างต้นแสดงชัดอยู่แล้วว่านิวร์เป็นสิ่งที่ทำลายคุณภาพจิตหรือทำให้จิตเสียคุณภาพลักษณะนี้ น่าจะใช้เป็นเครื่องวัดความเสื่อมเสียสุขภาพจิตได้ด้วยส่วนพ่อชงซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามก็เป็นธรรมที่ส่งเสริมคุณภาพจิตและช่วยให้มีสุขภาพจิตดีเป็นเครื่องบำรุงและวัดสุขภาพจิตพ่อชงเจ็นั้นมีความหมายรายข้อดังนี้ 1. สติความระลึกได้หมายถึงความสามารถทวนระลึกนึกถึง หรือกลุ้มจิตไว้กับสิ่งที่จะพึงเกี่ยวข้องหรือต้องใช้ต้องทําในเวลานั้นในโพชงนี้สติมีความหมายคลุมตั้งแต่การมีสติกํากับตัวจใจอยู่กับสิ่งที่กําลังมองดูพิจารณาเฉพาะหน้าจนถึงการหวนระลึกรวบรวมเอาธรรมที่ได้สดับเล่าเรียนแล้วหรือสิ่งที่จะพึงเกี่ยวข้องต้องใช้ต้องทํามานําเสนอต่อปัญญาที่ตรวจตรองพิจารณา 2. ทำรรมวิจัยความเฟ้นธรรมหมายถึงการใช้ปัญญาวิจัยสิ่งที่สติกําหนดจับไว้หรือทำที่สติระลึกรวมมานําเสนอนั้นตามสภาวะเช่นไตรตรองให้เข้าใจความหมายจับสาระของสิ่งที่พิจารณ า, านั้นได้ตรวตราเลือกเฟ้นเอาธรรมหรือสิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือสิ่งที่ใช้ได้เหมาะดีที่สุดในกรณีนั้นๆ หรือมองเห็นอาการที่สิ่งที่พิจารณานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจตามสภาวะที่เป็นไตรลักษณ์ตลอดจนปัญญาที่มองเห็นอริยสัจให้ความหมายอย่างหนึ่งซึ่งกว้างมากว่าธรรมวิจัยได้แก่ญาณคือความอย่างรู้อย่างเห็นที่ประกอบร่วมอยู่กับสตินั้นพจจงข้อที่สวิริยะความเพียรหมายถึงความกล้ากล้าเข้มแข็ง กระตือรือร้อนในธรรมหรือสิ่งที่ปัญญาเฟ้นได้อาจหารในความดีมีกำลังใจสู้กิจบากบันรุดไปข้างหน้ายกจิตไว้ได้ไม่ให้หดหูถดถอยหรือท้อแท้ผู้จงข้อที่สปีติความอิ่มใจหมายถึงความเ อ, อิบอิ่มปลาปลื้มปรีเพรมดื่มดำทราบซึง้งแช่มชื่นทราบซ่าน ฝูใจโพชฌงค์ข้อที่หปัจสัิความสงบเย็ยนกายใจหมายถึงความผ่อนคลายกายใจสงบระงับเรียบรื่นไม่เครียดไม่กระสับกระส่ายเบาสบายโพชฌงค์ข้อที่6สมาธิความมีใจตั้งมั่นหมายถึงความมีอารมณ์หนึ่งเดียวจิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กาหนด ทรงตัวสม่ำเสมอเดินเรียบอยู่กับกิจไม่วอกแวกไม่ทรายไม่ฟุ้งซ่านพอ่อจงข้อสุดท้ายข้อที่7อุเบกขาความเฉยดูอยู่หมายถึงความมีใจเป็นกลางวางทีเฉยใจเรียบสงบนิ่งดูไปในเมื่อจิตแน่วอยู่กับงานแล้วทุกอย่างเข้าที่ข้อทางหรือดำเนินไปด้วยดีตามแนวทางที่จัดวางไว หรือที่มันควรจะเป็นหรือยังไม่ควรขวนขวายไม่วุ่นวายไม่สอดแสบไม่แทรกแซงทั้งนิวรณ์และพ่ชงแบ่งแต่ละข้อออกเป็นสองข้อย่อยรวมเป็นนิวรณ์สิบพ่อชงสิบสคือข้อกนิวรณ์หย่อยเป็นสิบได้แก่คู่ที่หนึ่งกามาชันทะแบ่งเป็นหนึ่งกามาชันทะภายใน คือปรารบขันของตนกับ2กามาฉันทะภายนอกคือปรารบขันผู้อื่นคู่ที่สองพยาบาทแบ่งเป็น3พยาบาทภายในกับ4พยาบาทภายนอกคู่ที่สถีนมิทะแบ่งเป็น5้ถีนะกับ6มิทะคู่ที่สอุทจักกุกุ จ, จัก แบ่งเป็น 7. อุทธะกับ8กปกุกุจะคู่ที่5วิจิกิจฉาแบ่งเป็น 9. วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายภายในกับ10วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายภายนอกข้อขอพ่อจง7ย่อยเป็น14ได้แก่คู่ที่หนึ่งสติในธรรมทั้งหลายภายในกับสอง สติในธรรมทั้งหลายภายนอกคู่ที่สองธรรมวิจัยแบ่งเป็นสามวิจัยในธรรมทั้งหลายภายในกับสี่วิจัยในธรรมทั้งหลายภายนอกคู่ที่สามวิริยะแบ่งเป็นห้าวิริยะทางกายกับหกวิริยะทางใจคู่ที่สี่ปีติแบ่งเป็น7ปีติมีวิตกมีวิจาร์ กับ8ปดีติไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์คู่ที่หปัสสัตติแบ่งเป็น9กายปัจสัตติกับ10จิตตะปัจสัตติคู่ที่6สมาธิแบ่งเป็นสิอสมาธิมีวิตกวิจารณ์กับ12สมาธิไม่มีวิตกวิจารณ์คู่ที่7อุเบขาแบ่งเป็น13า อุเบกขาในธรรมทั้งหลายภายในกับ14อุเบกขาในธรรมทั้งหลายภายนอก